ขอนอบน้อมต่อคุณพระตนตัตไทขกอาสหลวงพ่กลมเพื่อนสตรีทุกท่านจเจริญธรรมแม่ชีและญาติธรรมทุกท่านช่วงนี้ก็เป็นช่วงใกลเ้เข้าเข้าบรรษาแล้วเนา ะ, ะการเข้าบรรษานี่ก็เป็นสิ่งที่นะในสมัยพุทนธะกาลนั้นตอนนั้นก็ยังไม่มีกำหนดวันเข้าบรรษาเนาะ พบว่าจะมีนักบวชต่างๆเดินทางไปที่ต่างๆอยู่เรื่อยๆเดินทางกันทั้งแทบทั้งปีเพราะนักบวชนี่ชอบสแสวงหาที่ปฏิบัติธรรมต่างๆกันแล้วก็ไม่ใช่มีแต่พระอย่างเดียวแล้วก็มีนักบวชในลทัทธินิกายต่างๆเยอะแยะเดินทางไปเดินทางมาคราวนี้พอช่วงข้าวษานี่ก็จะมีต้นข้าวที่ชาวนาปลูกไว้ บางทีพระก็ลงไปเดินเหยียบย่ำทําให้ต้นข้าวตายชาวบ้านก็เลยมาขอมามาฟอ้องพระเจ้าพระเจ้าก็เลยบอกว่าในช่วงสามเดือนนี้ก็แล้วกันนะให้เป็นช่วงฤดูฝนก็ให้เป็นช่วงทีง่พระไม่ต้องไปเที่ยวไปไหนๆให้หาที่อยู่ประจำํำคราวนี้การอยู่ประจําก็คือเราก็กําหนดขอบเขตนะอย่างเช่นในวัดเรา ก็กำหนดขอบเขตในรั้ววัดนะว่าในระยะสามเดือนนี้เราจะไม่ไปนอนค้างที่อื่นนะอยู่ในวัดเป็นประจานอกจะมีกิจจำเป็นนะก็ไปไปค้างที่อื่นได้ไม่เกินเจดวันก็เรียกว่าสตาหะ mm. ก็คือกาหนดขอบเขตนะแต่ถ้าไม่มีวัดก็กำหนดนะพระอาจจะอยู่ป่าก็ได้ก็กำหนดขอบเขตไว้ว่าจะอยู่บริเวณไหนบ้างหรืออาจจะมี บางบางลูปอาจจะไม่สบายต้องอยู่ในสถานที่โรงพยาบาลต่างๆก็จะกําหนดขอบเขตในโรงพยาบาลต่างๆนะหรือแม้แต่พระบางองค์อาจจะไปพักอยู่ที่บ้านเป็นสวนนะเป็นสวนก็ทําได้นะก็กําหนดขอบเขตในบริเวณบ้านขอบเขตตรงไหนตรงไหนนะที่จะอยู่จำพรรษานะซึ่งมีบางแห่งทิท่านก็กําหนดไว้ว่า จำไม่ได้เช่นในโพรงไม้ต่างๆเป็นต้นเนะนะาะคราวนี้นอกจากพระแล้วก็จะมีะแม่ชีญาติโยมก็มาใช้วิธีนี้เหมือนกันเนะนะาะคราวนี้เนะี่ยก็มีผู้ที่มาจำพรราร่วมกันแล้วนะข้อคือต้องมาทําอย่างไรนะเมื่อกี้เราได้สวดบทที่ว่าพระควรจะทําอย่างไรนะในการที่ว่าเมื่อบุนพระแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้ เพราะการบวชเป็พระอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ว่าได้บุญมากนะแล้วก็ถ้าทำไม่ดีก็จะได้บาปมากเหมือนกันนะเพราะว่าเหมือนกับคนธรรมดาทำบุญเท่านิ้วโป้งนี่แหละก็ได้บุญเท่านิ้วโป้งนะแต่ถ้าพระทำบุญเท่านิ้วโป้งก็ได้บุญเท่ากับกมปั้นนะเพราะนั้นถ้าพระทำบาปเท่านิ้วโป้งก็ได้บาปเท่ากับกมปั้นด้วยนะเพราะว่าผลบุญและผลบาปก็จะสูงกว่าคนธรรมดาเนาะ ครนะา้นี้พระพุทธเจ้าก็เมื่อกี้ก็ได้กาหนดนะว่าเอกครเป็นพระนี้ก็มาสํารวจดูตัวเองนะบัดนี้ เ, ออเราไม่เพศต่างจากคนหันแล้วอาการกิริยาใดๆของสมณะเราควรทําอาการกิริยาเช่นนั้นเนะาะบางบางท่านอาจจะลืมไปโอ้ตอนนี้บวยเป็นพระแล้วนะลืมไปก็มีนะเพราะความเคยชินจากความเป็นฆราวาสมาก่อนนะ <c oughs> ว่าเออมื่อก่อนเราเคยสวนเสเฮ่าเคยพูดเสียงดัง เคยพูดตลกโปกฮาเคยพูดเล่นนะแล้วก็ไม่สำมรวมกิริยามารยาดต่างนะเดินอาจจะเดินลักษณะที่ไม่สำรวมนั่งก็นั่งไม่สำรวมนะหรือทากิริยาไม่สำรวมอันนี้ก็เป็นการติดมาจากการเป็นฆราวาสนะอันนี้พระเจ้าบอกว่าบัดนี้เราไม่เพศต่างจากครหัขากแล้วนะก็คือตอนนี้เราเป็นพระแล้วอาการกิริยาใดๆของสมณนะเราก็ต้องทำกิริยาการนั้นๆนะ เพราะว่าเมื่อเราเป็นพระนะเราก็ในเราเปลี่ยนเครื่องแบบนะจากฆราวาสมาเป็นพระเราก็ต้องเปลี่ยนเครื่องเครื่องแบบในใจเราด้วยก็คือให้ใจเรารู้ว่าตอนนี้เราเป็นพระแล้วเนาะต้องเปลี่ยนใจนะมาเป็นพระจริงๆนะพอใจเราเป็นพระปุ๊บ ม, มันก็จะเริ่มเปลี่ยนอ่าเราก็ต้องมีความสํารวมตามมาใช่อาหารการกินก็ตามแต่ญาติโยมเขาถวายเราก็ไปเลือกไม่ได้อ่าพระพุทธเจ้าบอกว่าให้เราหากินด้วยปรีแข้งก็คือบิณฑบาต ได้ยังไงก็ได้อย่างนั้นเนาะอาจจะได้ข้าเหนียวมาก้อนเดียวได้กล้วยมะลูกหนึ่งก็ได้เท่านั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ว่าเออกลายเป็นว่าเราก็หากินด้วยปีแข่งของเรานะสมัยที่เคยเที่ยวทุดงไปบางวันไปบินระบามันบางทีชาวบ้านก็ไม่ได้รอที่จะใส่ใส่บาตรเพราะไม่ได้ขายไปจำํำก็เรียกว่าเป็นขาจรเขาก็ไม่ได้เตรียมไว้ เดินผ่านไหมเขาก็ไม่ใส่อะไรนะเราจะไปยืนอยู่หน้าบ้านเขาก็น่าเกียระแต่ว่าถ้าไปอินเดียหรือไปในปา น, นี่ไปยืนได้นะไปยืนหน้าบ้านได้แต่พระไทยนี่จะมันก็ไม่ได้นิยมไปยืนหน้าบ้านก็ต้องเดินผ่านไปเลยเลยก็ไม่มีใครใส่นะเดินกลับไปรอบหนึ่งเออก็ เ, เห็นใส่กลับมาบางทีใส่ข้าวเหนียวให้ก้อนเล็กนิดเดียวนะบางทีก็ใส่กล้วยให้ลูกหนึ่งอะไรทํานองนี้กลับมาก็ไม่มีเลยฉันก็ฉันเท่านั้นนั่นแหละเนาะ นี่ก็คือเนี่ยหากินด้วยปลีแคลงของเราเองได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะตรงนี้ก็อ่าเป็นสิ่งที่ว่าเราอ่าตามใจตัวเองไม่ได้นะเพราะนั้นพาก็ตามใจตัวเองไม่ได้ไปเที่ยวหาซื้ออะไรอ่าฉันหน้าวัดหรือที่อื่นๆก็ไม่สมควรนะนนเราฉันด้วยกิเลสเพราะนั้นมีเท่าไหร่ก็ฉันเท่านั้นเนี่ยก็เรียกว่าเราเหมารลมกายและใจของเราเองนะ เราก็เมื่อกี้เราก็สวดไปหลายหลายอย่างนะเราก็มีอย่าลืมไว่าเรามีกรรมเป็นของเราเองนะเราทํากรรมดีก็ได้ดีทำกรรมชั่วก็ได้ชั่วนะตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญมากเลยนะเป็นการเรียกว่าเป็นสัมมาริฐิในตรงนี้ในระดับหนึ่งเพราะว่าผู้ที่ไม่เชื่อกรรมแล้วมาบวชหรือว่ามาอยู่วัดต่างๆนะพวกนี้จะทําความเสียหายให้กับวัดเยอะมากเลยเพราะว่าสมัยก่อนนั้นมา ก, ก็เคยไปเที่ยววัดต่างๆ บางวัดนี่ดูทีเดียวรู้เลยว่าอเป็นเป็นวัดที่ค่อนข้างที่จะไม่ดีนะเพราะว่าขยะทิ้งเกลื่อนมาเลยพอไปเึงก็เห็นละขยะทิ้งเกลื่อนวัดตามทางเดินนี่ขยะเยอะนะไปตามกุดไปตามมันอยู่ที่กุดบางแห่งไปอยู่ที่น้องเก็บขยะรอบๆรอบๆกุดเป็นวันเลยทิ้งกันเกื่อนหมดเลยทั้งอะไรทิ้งกันหมดอก็ต้องเก็บนะถ้าไม่เก็บเดี๋ยวคนมาอยู่ที่หลังก็นึกว่าเราทิ้งนะก็ต้องเก็บออกมานะ ตรงนี้แล้วก็กิริยามารยาทก็ไม่สํารวมส่งเสียงดังกันไม่ค่อยที่จะปฏิบัติธรรมนะหรือว่าทําทสิ่งที่ดีๆเท่าไหร่นะอยู่แบบอยู่แบบทำลายวัดก็มีนะคือพระนี่จะมีสองอประเภทอยูอ่คือประเภทอยู่แบาทำลายวัดก็คือสร้างความเสียหายให้กับวัดไม่ไม่สํารวมนะเอาของวัดมาใช้ทิ้งทิ้งคว้างไม่ดูแลให้ดีใช้ข้าวของสิ้นเปืองเปิดไฟเปิดน้ําทิ้งเอาไว้ แล้วก็ไม่สนใจบรรธรรมอันนี้ก็เรียกว่าอยู่แบบทําลายวัดเนาะก็คือทําลายศาสนาทาลายศรัทธาของผู้คนและจริงๆก็คือทําลายตัวเองนะทําให้ตัวเองเป็นบาปเป็นกรรมนะอันนี้ก็เรียกว่าทําบาปเท่ากับนิ้วโป้งแต่ได้บาปเท่า ก, กับมะกำปั้นเนาะส่วนอีกประเภทนึงก็อ่ะประเภทนะครับทำความดีนะรู้จักกฏแห่งกรรมก็คือพวกนี้จะอ่นะทำความดีให้กับวัด ประเภทนี้ก็มีนะมุนเทตมาก็เที่ยวไปตามวัดพวกนี้ก็เจอพอไปปุ๊บก็รู้เลยว่าวัดนี้ดีแน่นอนนะก็คือไปดูแล้วประการแรกไม่ค่อยมีขยะะไปที่กุฎก็มีขยะเหมือนกันแต่ก็มีน้อยคือจะไม่ค่อยทิ้งไว้รอบๆกุฎมากก็จะมีที่ให้ทิ้งขยะก็ไปทิ้งกันนะเราเราพาก็สํารวมกิริยามารยาท ต, ต่างๆดีช่วยกันกว่าช่วยกันถูศาราบางบางที่ไปไปวัดบางวัดนะพราะฉันเสร็จแล้วต้องรีบฉันเร็วๆนะถ้าฉันไม่เร็วนี่ พระจะช่วยกันกวาดถูสราเลยนะแล้วก็กวาดถูไม่ทันนะ จ, ะจะช่วยกันแล้วก็ขยันในการกวาดถูสระมากเช้าเชาตื่นมาแต่เช้ามาช่วยกันจัดอสาสนะสงฆ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยแล้วก็ตั้งใจปฏบัติธรรมกันแล้วก็ไม่ใช้ของต่างๆในวัดเสียหายนะพยายามดูแลรักษาวัดเป็นอย่างดีตรงไหนน้ํารั่วตรงไหนน้ํำ ใ, ใครเปิดก๊อกแล้วไม่ปิดนะหรือว่าก๊อกไหนรั่วก็จะช่วยกันดูแล ตรงนี้นะอันนี้เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นพระที่สร้างสรรค์วัดนะพวกนี้จะได้บุญเยอะนะก็เรียกว่าทําบุญเท่ากับนิ้วโป้งแต่ได้บุญเท่ากับกําปั้นพระพวกนี้ก็จะมีความเจริญก้าวหน้าไปเรื่อยๆนะเพราะว่าเชื่อในกฎแห่งกรรมนะตรงนี้เป็นสิ่งที่รู้เลยว่าเออความเป็นพระหรือความเป็นนักบวชมันจําเป็นกันในตรงนี้เนาะต่อมาท่านบอกว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทําอะไรอยู่เนะ ตรงนี้ก็เป็นประเด็นว่าเออเรามาเป็นพระหรือว่าเป็นนักบวชทั้งหลายแล้วนะตรงนี้ว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทําอะไรอยู่ใช่ไหมจริงๆแล้วตรงนี้มันไม่ใช่ว่าเป็นนักบวชอย่างเดียวนะแต่แม้แต่คนธรรมดาก็ทํำมาคิดถึงตรงนี้ว่าก็ในเมื่อเรา ใ, ใกล้ความตายเข้าไปทุกทุกขณะทุกทุกวินาทีนะหรือว่าอ่าสิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งว่าเราไม่สามารถที่จะใช้เงินซื้อได้ก็คือเวลานะ อย่างเวลาผ่านไปเมื่อวานเนี่ยเราจะซื้อกลับมาเป็นเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้นะหรือจะกลับมาในนาทีที่ผ่านมาก็ไม่ได้นะมันมันผ่านก็คือผ่านไปแล้วจะใช้เงินเท่าไหร่ก็ซื้อกลับมาไม่ได้นะเพราะฉะนั้นก็คือตรงนี้เราสามารถที่จ ะ, ะใช้เวลานี้ให้เป็นประโยชน์ได้ไหมเวลาที่มันผ่านไปนเราทําอะไรอยู่ใช่ไหมคราวนี้นะ พอเรามาอยู่วัดหรือเป็นนักบวชแล้วก็ต้องใช้เวลาให้คุ้มค่าที่เรามาบวชในครั้งนี้บางคนก็ตั้งใจมาเป็นเวลานานก็มีนะหลายๆปีนะเตรียมตัวมาเป็นปีๆก็มีนะแต่บางคนก็ใช้เวลาไม่นานในการตัดสินใจนะหรือว่าผู้ใหญ่บอกว่าให้มาบวชเถิดได้เวลาแล้วนะก็คือมาโดยวิธีการอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเมื่อมาเป็นพระแล้วก็ต้องมาเหมือนๆกันก็คือเราก็ต้องใช้เวลาให้คุ้มค่า ในการฝึกอในการอบรมตัวเองนะตรงนี้จะได้ประโยชน์ถ้าเราไม่ฝึกไม่อุปโตัวเองเราศึกไปมันก็มันก็ไม่ได้อะไรนะเพราะว่าเคยสังเกตดูบางคนนี่บวชมาแม้แต่หลายภาษาก็ไม่เปลี่ยนแปลงไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวเนาะอันนี้ก็ไม่ได้ประโยชน์ในการบวชนะก็ยังสงสัยทําไมก็ไม่เปลี่ยนแปลงนะบวชมานานแล้วไม่เปลี่ยนแปลงบางทีออ่ บอกว่าลายันสาออกไปแล้วก็ไปดื่มเหล้าหรือว่าไปทําสิ่งไม่ดีต่างๆก็มีนะอันนี้เกิดจากการที่เรียกว่าไม่เข้าใจแล้วก็ไปเก็บกฎต่างๆเอาไว้นะคือไม่ไม่เข้าใจก็คือไม่รู้ว่าบทมาทําไมแล้วก็บทไม่รู้ทํำไรนะออกไปก็เลยกลายเป็นแบบนั้นไปนะตรงนี้ก็คือเราไม่รู้หน้าที่ของตัวเราเอง นะครั้นี้ก็เรามาบวชก็คือให้ให้รู้รู้จักตัวเราเองนั่นแหละนะกลับมาการรู้จักตัวเองนี่เป็นการแบบธรรมแล้วนะมันไม่ใช่ว่าต้องมาเจริญสติหรือนั่งสมาธิหรอกการนี้กลับมารู้จักตัวเราเองแล้วนี่แหละรู้จักกายรู้จักใจรู้จักตัวเราเองให้ดีให้ถูกต้องเท่า น, นั้นเองนะเพราะจริงๆแล้วคนเรา <c oughs> มันไม่ใช่ไม่มีใครดีพร้อมนะไม่มีไม่ใช่ว่าเราดีพร้อมทุประการทุกคนมีข้อบกพร่องในตัวเองทั้งนั้นนะมีความโลภความโกรธ ค, ความหลง ต่างๆเราเนี่ยอยู่ในใจของเราสําคัญว่าเราเราเรู้จักตัวเราเองไหมมาว่าเราว่าเราเป็นคนไม่ดีอย่างไรนะเรามีความโลภเรารู้จักไหมมีความโกรธเรารู้จักไหมมีความหลงเรารู้จักไหมถ้าเรารู้รู้จักแล้วก็มืนก็นเรารู้เราเป็นโลคนะเป็นโรคอะไรเราก็จะได้แก้ไขโลกนั้นได้แต่ถ้าเราไม่รู้จักเราก็แก้ไขไม่ถูกนะบางคนก็ยังไม่รู้เลยว่าตัวเองอขี้น้อยใจนะอะบางคนก็ไม่รู้ว่าตัวเองขี้โกรธ บางคนก็ไม่รู้ตัวเองอะเป็นคนคิดมาก น, ะนี่นี่คือความบกพร่องในตัวเองนะคราวนี้เราก็มาสังเกตตัว เ, เองว่าเราเป็นคนไม่ดีอย่างไรนะเราก็แก้ไขในตรงนั้นอการที่เราแก้ไขในตรงนั้นนั่นแหละคือความเปลี่ยนแปลงนะไม่ใช่ว่าการปฏิธรรมแล้วมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่มันเกิดจากการแก้ไขตัวเราเองมากกว่าใช่ไหมบางคนอรู้ว่าเป็นคนที่เรียกว่าเป็นคนคิดมากนะอเรารู้ตรงนี้เราก็มาแก้ไขอย่าให้คิดมาก ถึงเราสึกไปมันก็กายมันมีความเปลี่ยนแปลงได้นะหรือเราเป็นคนโกรธเก่งนะเรามาแก้ไข ค, ความโกรธเก่งออกไปแล้วก็เปลี่ยนแปลงแล้วกายเป็นคนไม่โกรธเก่งนี่แหละ เ, เป็นความเปลี่ยนแปลงนะการที่เราเปลี่ยนแปลงนี่แหละมันเป็นสิ่งที่เราเราพัฒนาก้าวหน้าขึ้นมาแล้วในระดับหนึ่งนะเราจึงต้องสังเกตตัวเองให้ออกนะอย่างอาตมาสมัยก่อนก็เป็นคนขี k k k ้โกรธนะเป็นคนขี k k k ้โกรธอยู่เหมือนกันนะก็ ก็พยายามสังเกตตัวนี้มาตลอดนะตะแหน่งคารวะแล้วเราโกรธเก่งจังเลยนะก็พยายามแก้ไขนะบางทีโกรธก็เลยตั้งอ่าตั้งใจตัวเองว่าเออถ้าวันนี้โกรธนะอ่าจะไม่ทานอาหารเย็นอ่าเป็นต้นนะก็ปรากฏว่ามันก็มันก็จะมีอยู่บ่อยๆนะว่าเราต้องอดอาหารเย็นเพราะเราก็ยังโกรธอยู่เนาะอ่าหรือมันแก้ไม่ได้แล้วก็ใหม่อ่าถ้าถ้ามันโกรธเนี่ยต้องนอนหลังเที่ยงคืนไปแล้วนะอ่า ก็ยังไม่ชนะเองนะบางทีก็ต้องอดนอนนอนหลังเท่งคืนไปมันก็ยังไม่ชนะอยู่แต่ก็รู้ว่าเราก็มีจุดบกพร่องในตรงนี้นะครั้นี้พอมาบวชแล้วก็ตรงนี้มันก็พยายามแก้ไขในตรงนี้มันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเนาะอันนี้เป็นการยกตัวอย่างนะไม่ว่าตัวเองเก่งเลดีอะไรก็คือเรารู้ว่าเรามีจุดบกพร่องตรงไหนเราก็แก้ไขไปนะอันนี้มันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงได้นะเพราะนั้นเราต้องรู้จุดบกพร่องเราเองว่าเป็นคนอย่างไร บางคนเป็นคนขี้บ่นก็ไม่รู้นะเป็นคนขี้บ่นก็เจอใครบ่นตลอดเลยแล้วก็สงสัยเอ๊ะทำไมเขาเขาถึงไม่อยากคุยกับเราทำไมเขาถึงหนีเราทำไมเขาถึงเบื่อเรานะก็เราไม่รู้เราเป็นคนขี้บน่นมะันไม่รู้จักตัวเองใช่ไก็กลับมารู้จักตัวเองเท่านั้นเองนะขี้น้อยใจต่างๆก็ต้องรู้จักตัวเองให้ได้ใช่มมันต้องมีข้อบอกพร่องกันทุกคนแต่ว่าเราเราสังเกตในตรงนี้ได้ไหม เพราะเราเราเกิดทนะําเรามีคู่ครองนะตอนแรกแต่งงานก็ดีนะรู้เรียกว่าอยู่ในช่วงโปรโมชั่นทุกคนก็สองคนก็จะมีแต่ความดีเขาเสมอกันเสนอหน้าเสนอแต่ความดีแล้วก็มีสิ่งดีให้เห็นพออยู่ไปเรื่อยๆนี่ก็เริ่มเริ่มเขาเรียกว่าเริ่มออกลายแล้วนะคือพฤติกรรมเก่าก็เริ่มออกมาคือทุกคนมีส่วนข้อไม่ดีทั้งนั้นและหลังจากหมดช่วงโปรโมชั่นไปแล้วสิ่งที่ไม่ดีก็จะเริ่มออกมา คั้ <c oughs> นี้พอเริ่มออมาแล้วอยู่ที่ว่าเรายอมรับได้ไหม <laughs> ถ้าเรายอมรับได้อดทนกันไปนะบรบา ง, งคนก็ว่ากล้ำกลืนฝืนทนเออเมื่อก่อนสามีของเราก่อนจะแต่งนะดีมากเอาใจเราทุกอย่างเลยนะจะลงจากรถก็มาเปิดประตูให้นะไปทานอาหารก็ตักป้อนให้อีกเอาใจดีทุกอย่างเลยพูดจาเพราะนะพอแต่งกันไม่นานเดือนเดียวเท่านั้นเองเอาแล้ว แทนที่จะม า, มาเปิดประตูรถให้เราเราก็ต้องเปิดประตูรถให้เขาแทนที่เขาจะป้อนเราเราต้องป้อนเขานะแทนทจะเอาใจเราเราต้อเอาใจเขา ม, มันกลับสลับข้างกันไปเลยเมืแบบ่อก่อนเป็นคนไม่เจ้าชู้กลายเป็นคนเจ้าชู้นี่แหละเพราะว่าอะไรเพราะาเรายังไม่รู้กันแ ท, แท้จริงของสามีเราหรือของภรรยาเราใช่ไหมนี่เพราะเรายังไม่รู้จักตัวเขาใช่ไหมการนี้บางคนเนี่ยไปเจอผู้หญิงเจอผู้ชายปุ๊บรักเลย คือเห็นหน้าปุ๊บรักเลยหรือว่าเห็นเพื่อนเพือนก็รักเลยรักเลยก็แต่งงานหรืออันนี้ก็เรียกว่าเราไม่รู้ความจริงนะแต่ถ้าใครคบเป็นเพื่อนมาก่อนนะคบเป็นมีโอกาสคบเป็นเพื่อนนานๆอาจจะมาหาวิไลเรียนด้วยกันหรือทํากิจกรรมต่างๆร่วมกันมายาวาๆก็จะเห็นความจริงละคือเห็นใต้เห็นภูมิพอเห็นใต้เห็นภูมิเราก็เห็นทั้งความดีทั้งความไม่ดีของเขาเนี่ยเราจะรักเขาได้ไหมเนี่ตรงนี้อ่าพอ แต่งไปแล้วเราก็รู้ความจริงแล้วนะมันก็ไม่มีการที่เรียกว่าเราจะอยู่แบบกั้มกลืนฝืนทนมันก็อยู่ได้เรื่อยๆเนาะนะีอันนี้ก็คืออะไรก็คือเรารู้ความจริงว่าเขาเป็นอย่างไรนั่นเองเพราะฉนั้นตัวเราก็เหมือนกันนะเราก็ต้องรู้ความจริงว่าตัวเราเป็นอย่างไรนะพอเรารู้ตัวความจริงว่าตัวเราเป็นอย่างไรนะเราก็จะทําให้คนอื่นเ ข, 慢慢ขนนาไม่กัก้มกลืนฝืนทนกับตัวเรานะก็คือเขาจะไม่เบื่อเราเขาจะไม่เกลียดเราเขาจะไม่ไ ม, ไม่นึกในทางไม่ดีกับเราเพราะเราเลยเกิด รู้แล้วว่าตัวเราไม่ไดีอย่างไรเราก็จะได้เปลี่ยนแปลงตัวเราเองอเพื่อให้เป็นที่รัก Kinda. เพื่อให้เป็นที่พอใจของทุกๆคนนะตรงนี้มันก็จะได้มีการเปลี่ยนแปลงจริงๆนะเพราะฉะการปฏิบัติธรรมก็คือเรากลับมารู้กายรู้ใจเราตามความเป็นจริงนะรู้แล้วมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงกันมาได้นะแต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมแล้วเราไม่ได้สังเกตอะไรเลยไม่ไดอรู้ว่าเราเป็นคนอย่างไรเป็นคนนิสัยอย่างไรนะเป็นคนขี้โลภขี้โกรธขี้หลง ขี้อิจฉาขี้หึงหวงขี้น้อยใจนะเป็นคนคิดมากเป็นคนเก็บตัวนะเป็นคนที่อิจฉาต่างๆอันนี้ก็คือเมื่อเราไม่รู้จักตัวเองเราก็จะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงในตรงนี้นะครั้นี้เราไปบวชธรรมนะเราก็จะเห็นอารมณ์ต่างๆที่เข้ามานะอารมณ์ต่างๆมันเข้ามาเยอะแยะเลยเพราะาเราเริ่มสังเกตจิตใจเราได้แล้วนะคือการสังเกตจิตใจเราได้แล้วนี่ประการแรกเราก็ต้องเห็นความคิดก่อนนะการบวชธรรมนี่ก็เรียกว่า หลวงพ่อเทียมบอกว่ายิ่งคิดยิ่งรู้นะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้ไปห้ามความคิดอแต่เมื่อเขาคิดนี่เรารู้ไหมครับเมื่อก่อนเราก็ไม่รู้ความคิดนะเราก็เข้าไปในความคิดก็คิดไปถึงบ้านคิดไปถึงบ้านก็ไปช่วยเ้าคิดอีกตอนนี้ที่บ้านทําอะไรอคนนู้นทําแบบนี้คนนี้ทําแบบนั้นอันนี้เราเข้าไปในความคิดแล้วแต่ครั้นี้พอเรามาเจริญสติเราก็เริ่มเห็นตอนนี้มันคิดไปแล้วนะเรารู้แล้วก็กลับมา คิดไปแล้วนะก็รู้ก็กลับมาอันนี้เราจะกลายเป็นผู้เห็นความคิดไปก็คือเมื่อก่อนเราเข้าไปในความคิดแต่ตอนหลังเราก็เห็นความคิดมันก็แตกต่างากันไปการเห็นความคิดนั่นแหละมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะส่วนมันเข้าไปในความคิดมันจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงพันเดวเห็นความคิดบ่อยๆเพราะฉนั้นมันจะตรงเนหลวงมาเทท้ว่ายิ่งคิดก็ยิ่งรู้นะอพอเรารู้ความคิดปุ๊บเนี่ยเขาเรียกว่าจิตมันจะตื่นตัวพอจิตมันตื่นตัวนี่เราเริ่มเห็นความคิดได้บ่อยก็แล้ว ต่อไปมันก็จะเห็นอารมณ์ได้นะเมื่อก่อนเราอ่าใครก็มาด่าเราเราก็โกรธนะเข้าไปในความโกรธเลยอันนี้ก็เรียกว่าเราเราเป็นผู้โกรธนะแต่เราหลังเขาก็มาด่าเราเหมือนเก่านั่นแหละ <S <S เราก็จะ เ, เริ่มเห็นละเริ่มเห็นความคิดละตอนนี้มันคิดละมันด่าเราทําไมนะเรื่องแค่นี้ทําไมต้องมาด่าเรานะพอมันเห็นความคิดเต็มตรงนี้ปุ๊บมันก็เริ่มเริ่มรู้สึกละมีความไม่พอใจเกิเกกดขึ้นเราก็รู้สึกละมีความหงุดหงิดขึ้นมาเราก็รู้สึกละ พอมันรู้สึกว่ามันจะเบาลงนะมันก็จากการที่มันจะเข้าถึงความโกรธมันจะเริ่มเบาลงมันรู้ว่าตอนนี้มันมันเริ่มจะมีความโกรธแล้วนะเริ่มมีความไม่พอใจเริ่มมีความหงุดหงิดแล้วมันก็จะเบรกก็จะเบาลงนะมันก็จะไม่เข้าถึงความโกรธนะหรือเข้าไปถึงความโกรธมันรู้ตัวมันจะเป็นความโกรธบรรลุรู้สึกตัวมันจะไม่รุนแรงเหมือนสมัยก่อนนะแต่ถ้ามีกําลังสติมันก็จะเบรกได้กายมันไปปกติได้เนอะรู้สึกว่ามันก็เบาลงก็หายไปนะอันนี้ก็คือเราก็เห็นอารมณ์ต่างๆได้นะ เห็นเห็นความโกรธได้เห็นความโลภได้เห huh? ็นความหลงได้เห็นความบิดบาเห็นความหึงห่วงเห็นความน้อยใจเห็นความไม่พอใจเห็นความเกลียดเห็นความกลัวเห็นความรักเห็นความชังพอเราเห็นเราเป็นยังไงการเห็นมันมันก็จะเบาลงนะมันเหมือนเราเป็นนะเราเราเป็นผู้โกรธนะเราเป็นผู้เทียงก็เราเห็นความโกรธก็เราเห็นความเกลียดมันก็ต่างกันมันก็ออกมาเป็นผู้ดูนะมันก็เบาลงนะ ถึงมันเข้าไปในอารมณ์เ่านั้นเราก็รู้ว่าเออขณะนี้เรากำลังโกรธอยู่อ่ากำลังรักกำลังชังมันก็เบาลงมันก็ไม่ได้ไปเข้าไปอินนะคือเข้าไปอินก็คือเข้าไปเป็นเลยนะแต่บรรยากาศเป็นเราเป็นผู้สังเกตเป็นผู้เห็นหรือเป็นผู้ดูอ่าเหมืนที่หลวก็่อเขาเขีว่าเป็นเป็นผู้ดูไม่เป็นผู้เป็นนะอ่าอย่างที่ว่ามีนักปฏิบัติคนหนึ่งก็มาลายงานหลวงพ่อบอกว่าวันนี้หนูเครียดจังเลยหลวงพ่อบอกว่าให้พูดใหม่ ก็พูดบอกว่าวันนี้หนูเห็นความเครียดนะหลวงพ่อว่าเนี่ยใช้ได้นะก็คือเมื่อก่อนหนูหนูเห็นหนูเครียดจังเลยเนมันเหมือนกับเราเป็นนะมันเป็นพอพูดใหม่หนูเห็นมันเครียดมันจะเบาลงนะแค่เราเปลี่ยนคําพูดเนี่ยมันจะเบาลงแล้วนะพอเราเห็นปุ๊บก็มันก็แค่นั้นเมื่เราเห็นก็ไม่ใช่เราก็ผ่านไปนะตรงนี้มันก็ออกไปจากอารมณ์ต่างๆได้นะเพราะเนี่ยเมื่อเราเห็นอารมณ์บ่อยๆต่างๆเหล่านี้นะเห็น เนที่เราโกรธเก่งๆเป็นต้นนะหุดกินเองเก่งเนี่ยพระเราเห็นตรงนี้ปุ๊บเรารู้ว่านี่มันเป็นข้อบกพร่องของเราแล้วอ่าต่อไปมันก็ค่อยๆเบาลงค่อยๆเบาลงพราะเรารเห็นมันแล้วตรงนี้เราก็ ต, ต้องต้องฝึกสรุปในใจเราดูว่ามันไม่ดีนะอ่าอย่างเช่นบุหรี่นี่ยจริงๆแล้วไม่ต้องบอกให้ให้เลิกหรอกอ่าให้เขาเห็นโทษนะเออสูบบุหรี่แล้วไม่ดีอย่างไรนะทั้งประกาศทั้งอะไรต้องเยอะๆอุตส่าห์เขียนที่ซองด้วยใครหยิบมาซองบุหรี่มาโอ้นี่เป็นบอกเกิดให้ เกิดมาเลงทําให้แก่เร็วคนที่อยู่รอบข้างเนี่ยอพลอยมีสุขภาพไม่ดีไปด้วยนะอุตส่าห์กินที่ซองบุหรี่นะออันนี้บางคนที่นิสัยไม่ดีไม่เ ป, ปลี่ยนการก็ยังอุตส่าห์สูบนะทั้งๆรู้มันไม่ไ ม, ไ, ม ไ, มไม่ดีแต่คนที่รู้ว่ามันไม่ดีมันก็เลิกได้นะเลิกเลยไม่ต้องมีใครบอกอนะเลิกเลิกได้เลยนะเพราะนั้นเมื่อเรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ดีนะอารมณ์ความโกรธหรือนิสัยต่างๆไม่ดีแล้วก็รู้โทษโทษมันแล้วก็สามารถเลิกได้ พอเราเริ่มสังเกตเห็นมันได้บ่อยๆแล้วว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ดีนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเรากลับมาสังเกตอารมณ์ต่างๆได้เรื่อยๆความโกรธพอเราเห็นบ่อยๆเราก็เห็นว่าเออในที่สุดนะมันก็อมันก็เป็นเช่นนั้นเองไม่ใช่เรานะเพราะนั้กกูบาจำว่าใครที่เห็นความโกรธนะอ่คนนี้โชคดีนะเพราะว่าความโกรธมันเกิดแล้วก็ดับเร็วอเกิดแล้วดับเร็วเราเห็นสภาวะที่มันมาแล้วก็ไปนะมันความโกรธนี่มันเกิดเร็วนะพอเราเข้าใจมันก็ดับไปเลยมันจะดับเร็วมาก มันไม่เหมือนบางอา ร, รมณ์นะมันจะ เ, เกิดช้าแล้วก็ดับช้าเช่นความโลภเกิดช้าดับช้าความหลง เ, เกิดแล้วก็ดับช้าดับช้าความรักความรักบางทีก็เกิดเร็วแล้วก็ดับช้านะหรือเกิดช้าแล้วก็ดับช้านะส่วนความโกรธนี่มันเกิดเร็วดับเร็วเพราะฉะนั้นถ้าใครสังเกตความโกรธได้มันเป็นคนที่โชคดีนะเราเห็นว่ามั น, นมาแล้วก็ไปมนาะแล้วก็ไปนะมันก็เราก็เริ่มจะไม่ยึดติดแล้วความโกรธนะมันก็ไม่ให้ตัวไม่ตนของเรา ถ้าความโกรธเป็นองรามันก็ต้องอยู่เราตลอดกาลนะแต่เข้ามาแล้วก็ไปแสดงว่าเขาไม่เชิงเรานะมันก็สังเกตในตรงนี้ได้มันก็เริ่มจิตก็เริ่มไม่ยึดถือความโกรธนะอารมณ์ต่างๆเหมือนกันมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปมันก็ไม่ใช่ตุก ข, ของเราก็ผ่านหมดตรงนี้เราก็จะเริ่มเข้าใจความจรงิงในจิตใจเรามากขึ้นว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปไม่ตัวไม่ตนมันก็จะวางอารมณ์ต่างๆได้เร็วไม่ไปยึดติดนะ แต่ก็ไม่ใช่ว่าความโกรธมันจะหมดไปแต่ว่าเราบังคับเขาไม่ได้หรอกนะมาก็มาก็ไม่เป็นไรมาแล้วก็ไปนะตรงนี้เราก็เห็นว่ามันก็ไม่ไม่ได้เป็นสาระสําคัญอะไรนะอารมณ์ต่างๆมาแล้วก็ผ่านไปทุกๆอย่างนะแม้แต่เป็นอารมณ์ที่มันไม่ดีไม่ดีขนาดไหนก็แล้วแต่นะมันมาแล้วก็ผ่านไปหมดนะแม้แต่เออความรักก็เหมือนกันนะมันรู้สึกว่ามันมีความสุขแต่จริงๆมันก็มีความทุกข์นั่นแหละเพราะความรักมันก็ไม่เที่ยง นะแต่ถ้าเราไม่สนใจมันก็ผ่านไปนะแต่ตรงนี้บางคนไม่รู้นะพออกหักนะอกหักก็ไปฆ่าตัวตายนะมันที่รวมาเทียนเล่านั่นแหละมะีผู้หญิงนะเป็นเป็นลูกของเจ้าของกิจการใหญ่นะมีกิจการเยอะแยะเป็นลูกสาวคนเดียวส่งไปเรียนปริญญาเอกจบจากต่างประเทศมากลับมาที่บ้านไม่กี่วันก็ฆ่าตัวตายนะกระโดดจากตึกเจชั้นลงมานะกระโดดทีเดียวเจ็ดชั้นนะไม่ได้กระโดดลงมาทีละชั้นนะ กระโดดมาถึงพื้นก็บาดเจ็บสาหัสน ะ, ะแม่เขาก็เสียใจมาบอกหลวงมาเทียนว่าท่านลูกสาวไม่ตายก็จะมาฝากไว้ที่หลวงมาเทียนได้ไหมหลวงมาเทียนบอกเอามาเลยน ะ, ะครนนั้นที่เสียใจเพราะอะไรเพราะว่าไปรู้จักผู้ชายที่เมืองนอกแล้วคิดว่าจะแต่งงานกันแต่กลับมาผู้ชายก็ไม่สนใจนะก็เลย อ, อกหักก็เลยฆ่าตัวตายอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ น, าน่าสงสารนะเพราะว่าไม่รู้จักว่าจริงๆ อ, อความรัก หรืออกหักมันอีกไม่นานมันก็ผ่านไปแล้วนะเต็มที่ก็ปีนึงนะเต็มที่ปีหนึ่งก็ผ่านไปแล้วแต่ละคนที่สามารถที่ปล่อยวางได้เร็วจริงๆก็ไม่ไม่นานแค่เดือนเดียวก็ปล่อยหมดแล้วนะมันไม่ได้ไปยึดติดอะไรเออมันไม่สําคัญอารมณ์ทุกอย่างมันผ่านหมดแล้วแหละอารมณ์ที่จะถึงกับฆ่าตัวตายมันจริงๆก็ผ่านแต่มันก็ต้องใช้เวลานะต้องใช้เวลาในการทเทเลกว่าให้เขารักษาจิตใจ นะสำหรับคนที่จิตใจไม่เข้มแข็งนะแต่คนที่จิตใจเข้มแข็งรู้ในเรื่องภไตรักอนิจจังทุกข์อนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตต า, บ, าบังคับบัญชาไม่ได้ไม่ใช่ตัวไม่ตนพวกนี้ผ่านเร็วมากเลยนะพวนี้พอความทุกข์เข้ามาผ่านเร็วเพราะว่าจิตมันไม่ได้ไปยึดถืออะไรกับสิ่งต่างๆมากมายแบบสมัยก่อนแล้วเนาะจิตมันก็เข้าใจแล้วทุกอย่างมันไม่เที่ยงนะมันไม่มีอะไรแน่นอนมีแต่ความแปรปรวนเป็นธรรมดาอนะจิตมันยอมรับระไตรักอยู่แล้วนะคือจริ ง, รงๆแล้วเนะี่ย ความจริงในโลกนี้มันไม่มีอะไรเลยนอกจากความไม่เที่ยงมีแต่ความเปลี่ยนแปลงมีแต่ความไม่แน่ไม่นอนอันนี้คือความจริงในโลกนะทักผู้ใดเข้าใจแค่ไม่เที่ยงเท่านั้นนะว่าทุกอย่างไม่เที่ยงมีแต่ความเปลี่ยนแปลงมีแต่ความไม่แน่ไม่นอนใครจะจากเราไปเมื่อไหร่ก็ได้เราจะของจะหายเมื่อไหร่ก็ได้เราจะสูญเสียอะไรก็ได้นะแม้แต่ตัวเราเองจะสูญเสียเมื่อไหร่ก็ยังได้เลยทักผู้ใดเข้าใจในพูดนี้จะไม่ค่อยมีความทุกข์หรอกเพราะว่ายอมรับความจริงในโลก <c oughs> อันนี้ก็คือเราเข้าใจพระไตรักษเนาะแต่ถ้าใครที่ไม่เข้าใจในตรงนี้ไม่ไม่ได้เข้ามาศึกษาไม่ได้เข้าใจพระไตรักเลยไม่ได้เห็นพระไตรลักเลยเพราะมีการเปลี่ยนแปลงนิดเดียวทนไม่ได้มีความไม่เที่ยงนิดเดียวทนไม่ได้มีความที่แปรปรวนมีความสูญสลายไปมีความพัดภาคมีความอ่าพัดภาคจากสิ่งที่เรารักประสบกับสิ่งที่เราไม่รักปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนะ พวกนี้จะมีความทุกข์มากมีความทุกข์มากเพราะว่าไม่เข้าใจในความเปลี่ยนแปลงในโลกนี้ซึ่งเป็นศธรรมความจริงของปตายรักพวกนี้จะทนทุกข์แล้วก็มีความทุกข์แล้วทนไม่ไหวทนไม่ไหวบางทีก็ถึงฆ่าตัวตายหรือบางทีก็เป็นบ้าไปเลยนะบางคนสูญเสียสิ่งที่รักเช่นเสียลูกไปก็เป็นบ้าไปเลยก็มีพวกนี้เป็นคนที่จิตใจไม่เข้าใจในความจริงของ พระไตรักคือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนาะเพราะฉะนั้นการบวชธรมก็คือกลับมาเข้าใจในความจริงของไสยธรรมนี่แหละให้เห็นความจริงว่าทุกอย่างมีแต่ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้นะพอใจมาเข้าใจพระไตรักษแล้วจิตจะเริ่มเกิดการปล่อยการวางการมิยึดติดการเข้าใจโลกตามความเป็นจริงนะเราก็จะเข้าใจคนอื่นว่ามันก็เป็นพระไตรักตัวเราก็เป็นพระไตรลักเพราะนั้นสิ่งใดที่เกิดขึ้นกับคนอื่นหรือเกิดขึ้นกับตัวเรา ต่างๆเหล่านี้เราก็จะเกิดการยอมรับได้เร็วขึ้นและเกิดการปล่อยกันวางการไม่ยึดติดแล้วเราก็ย่อจากความทุกข์ได้เนาะเพราะฉะนั้นในท้ายที่สุดนี้ขอให้ทุกท่านจเจริญด้วยศีลสติสมาธิปัญญาและถึงซึ่งความค้นทุกข์ได้โดยเร็วบันธุทันเทิน